ตอนที่9ก้าลมบ้าหมูกำเริบ ม, มีวัดแห่งหนึ่งชื่อวัดหลิงซานตั้งอยู่บนภูเขาลูกหนึ่งในเขตหนานโถ ổ. ทางวัดจะจัดงานมหรสพ เฉลิมฉลองครั้งใหญ่ทุกปีปีละหนึ่งครั้งแต่ละปีก็จะมีผู้มีจิตศรัทธามาร่วมงานกันอย่างล้นหลามดังนั้นทางวัดจึงตระเตรียมอาหารเจต่างๆไว้จัดบริการฟรีให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมนมัสการทั้งห ม, ม, มงงี่เจหม้อโต่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ดังนั้นทุกปีเมื่อถึงช่วงงานเฉลิมฉลองนี้ผมก็จะต้องใช้เวลาเกือบทั้งวันในการข้ามภูเขาเป็นลูกๆเพื่อมาขอทางที่วัดหลิงซานเดินจนกระเพาะร้องโขกค ร, กรก่กขาก็แทบชาแต่พอเดินเข้าไปในโรงเจปุ๊บเห็นอาหารแต่ละจานแต่ละจานที่จัดเรียงไว้บนโต๊ะยาวเท่านั้นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ก็แทบสลายหายไปเป็นลิดทิ้งในวินาทีนั้นเลยผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่ล้วนแต่เป็นคนที่มีจิตใจดีเพียงแต่ผมแจ้งให้พระหรือแม่ชีได้ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ทางบ้านผมท่านก็เต็มใจบริจาคเข้าสารเป็นกระสอบให้ผมแบกกลับบ้านวันนั้น ขณะที่ผมกําลังเดินกลับจากวัดหลิงซานต้องข้ามภูเขาเป็นลูกๆผ่านหมู่บ้านสองสาแห่งแขนขาก็เริ่มห่อนล้าลงทุกทีแต่เมื่อใจนึกถึงของที่กําลังแบกกลับมาด้วยแล้วก็อดจินตนาการไม่ได้ว่าพ่อและน้องจะดีใจมากขนาดไหนแม้จะรู้สึกปวดขาไปหมดแต่ผมก็ยังสู้เดินหน้าอย่างไม่ย่อทอ้อ จนจวนจะถึงบ้านก็เห็นผู้คนนั่งล้อมวงดูอะไรกันที่ไกลๆตรงน้นผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ลืมน้ำหนักของที่แบกไปเสียสิ้นรีบสาวเท้าแทรกตัวฝ่าฝูงชนเข้าไปข้างหน้าจึงได้เห็นแม่นอนชักอยู่กับพื้นรอบลมว่าหมูของแม่กบเริ่มขึ้นมาอีกแล้วตัวแม่เร่งไปหมดตากลับขึ้นจนเห็นแต่ตาขาว น้ำลายฟูมป่ากนอนชักแงกๆดิ้นไปดิ้นมาอยู่กับพื้นพี่สาวกับพ่อทำอะไรไม่ถูกได้แต่กดตัวแม่ไว้กับพื้นเพราะกลัวว่าแรงดิ้นของแม่จะทำให้เด็กในท้องได้รับความกระทบกระเทือนไปด้วยแม่แม่ผมโยนของในมือทิ้งไปรีบเข้ามาช่วยพี่สาวประคองแม่ขึ้นพี่สาวเงยหน้าขึ้นมองผม ริมฝีปากของพี่ขาวจนซีดเหงื่อไหลเปียกชุ่มออกมาตรงไรผมแม้เส้นผมจะรุ่ยร่ายตกลงมาปกหน้าปกตาไปหมดแต่ผมก็ยังมองเห็นน้ำตาของพี่คนที่มุงอยู่ข้างๆตะโกนขึ้นว่าระวังนะระวังแกจะกัดลิ้นตัวเองเข้าเอาเร็วเข้ารีบหน่อยช่วยกันหาไม้มาให้แกกัดเอาไว้ก่อนเถอะเร็วๆ เ, เข้าไม่งั้นก็เอาผ้ามาให้กัดแทนก่อนก็ได้ ระวังหน่อยอย่าเพิ่งให้แกลุกขึ้นมานะพวกเธอต้องช่วยกันง า, นปางปากเอาไว้นะอย่า ก, กัดลิ้นขาดละ่ะตายแน่เชียวเสียงผู้คนอึ่งโอนโวกเวกเราได้แต่ทำตามที่พวกเขาบอกพ่อเปิดยา่ามดึงเอาผ้าเก่าๆออกมาเผืนหนึ่งผมกับพี่สาวช่วยกันออกแรงงา้างปากแม่ให้ห้าออกแต่แม่ คงจะทรมานมากจึงกัดฟันเม้มปากเส้นแน่นไม่ว่าผมกับพี่สาวจะช่วยกันออกแรงนัดยังไงก็ไม่สำเร็จผมร้องว่าแม่ครับขอร้องละช่วยอ้าปากขึ้นหน่อยได้ไหมครับคนที่มุมต่างก็ร้อนใจมีชายสองคนเสนอตัวเข้ามาช่วยเหลือคนหนึ่งล็อกมือแม่ไว้อีกคนหนึ่งกดขาแม่เอาไว้จากนั้น ก็ออกแรงบีบปากแม่กว่าจะเอาผ้าผืนนั้นยัดเข้าไปในปากแม่ได้ก็เล่นเอาบรรดาไทยมูหมดแรงหอบแหกแหกนั่งลงกับพื้นเลยทีเดียวผมเองเปียกไปหมดทั้งตัวหลังชุ่มไปด้วยเหงื่อหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาสมัยนั้นความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลของพวกเรายังไม่ดีพอพอลงบ้าหมูกําเริม นอกจากการระวังไม่ให้ผู้ป่วยกัดลิ้นตัวเองจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ทำได้แต่รอรอให้โรคแสดงอาการจนกระทั่งหายไปเองรอให้ผู้ป่วยหายเป็นปกติเองน้องชายคนเล็กเดินเข้ามาคว้าชายเสื้อของพี่สาวอย่างหวั่นหวานแล้วถามขึ้นเบาๆว่ า, วาพี่ฮะแม่จะตายหรือเปล่าพี่ พี่สาวยกมือขึ้นซับน้ำตาที่ไม่ยองหยุดไหลพูดอะไรไม่ออกผมปลอบน้องชายว่าเด็กดีต้องไปกินข้าวก่อนนะดูสิพี่ได้ของมาจากวัดเยอะแยะเลยไปเทใส่จานกินก่อนไปเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ก็หายหนูไม่กินหนูจะกินพร้อมกับพวกพี่แล้วหนูก็ไม่อยากให้แม่ตายด้วยแม่ไม่ตายหรอกจก้ะพี่สาวยืนยัน น้ำเสียงหนักแน่นน้องชายคนเด็กไม่กล้า ง, งองแงอีกยอมถอยไปแต่โดยดีกระนั้นก็ยังแอบมองเราอยู่ห่างหางด้วยความน้อยใจเสียงครวญครางของแม่ค่อยๆเงียบลงไปความทุรนทุรายก็ดูเหมือนจะทุเลาลงมีแต่แขนขาเท่านั้นที่ยังเปกปะอยู่ไปมาและก่อนที่คนรอบข้างจะพากันแยกย้ายจากไปคนหนึ่ง ตบไหลผมเบาๆก่อนบอกว่าเดี๋ยวไปหาน้ํามาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้แม่เขาเสีนะผมมองดูแม่ผมและเนื้อตัวแม่มีแต่ดินทั้งนั้นใบหน้าก็เปิดไปด้วยคราบเลือดที่เกาโดนเข้าตอนทุรนทุรายพี่สาวลูบหน้าแม่เบาๆด้วยความสงสารชีวิตแม่นั้นช่าง น, น่าเวทนานักนอกจากจะปัญญาอ่อนแล้ว ยังเป็นโรคลมบ้าหมูด้วยแถมยังมีอาการผิดปกติทางจิตอีเหมือนระเบิดเวลาที่อาจจะระเบิดขึ้นมาตอนไหนก็ได้แม่ต้องทรมานเพียงนี้แล้วลูกๆอย่างเรามีหรือที่จะไม่พลอยเจ็บปวดตามไปด้วยผมถือเศษผ้าไปชุบน้ำที่ลาําธารมาเช็ดหน้าเช็ดตัวให้แม่ตอนนี้เองผมเพงได้พบว่า ขณะที่กำลังจุกระหุกเมื่อกี up up ้นี้แม่ทั้งฉี่ทั้งอึรดกางเกงไปหมดผมกับพี่สาวช่วยกันเปลี่ยนกางเกงตัวใหม่ให้แม่เพื่อให้แม่พักผ่อนได้สบายเนื้อสบายตัวยิ่งขึ <men> ้นแล้วเราก็ช่วยกันเฝ้าดูแลจนแม่หลับสนิทกลางดึกจู่ๆแม่ก็ร้องไห้อารวาดขึ้นมาอีก ทั้งนี้คงจะเป็นผลมาจากการชักเมื่อตอนเย็นทำให้เด็กในคันตระหนกตกใจจึงรีบออกมาดูโลกก่อนกำหนดเป็นแน่พ่อเป็นผู้มีประสบการณ์ของผมฟังเสียงร้องไห้อลาวาดของแม่เพียงนิดเดียวก็รู้ว่าแม่ร้องแบบนี้แปลว่าเจ็บท้องจึงรีบให้พวกเราลบไปยืนแอ บ, บอยู่ด้านหนึ่งแน่นอนว่าพวกเรา ย่อมไม่มีเงินไปหาหมอที่โรงพยาบาลหน้าที่ทำคลอดจึงต้องตกเป็นของพ่อกับพี่สาวโดยปริยายผมกับน้องๆ น, นั่งกันอยู่ข้างโต๊ะเส้นไหวในศาลเจ้าฟังเสียงร้องของแม่ที่ดังมาจากด้านหลังเดี๋ยวดังเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวก็เงียบหายไปแล้วก็ดังขึ้นมาใหม่เสียงกรีดร้องแหลมดังในศาลเจ้ายามค่าคืนนั้นดังแสบหูเสียละเกิน เสียงเลกแหลมนั้นราวกับจัทะลุขึ้นไปถึงดวงดาวกระนั้นยังดีที่ครั้งนี้ได้คลอดในห้องคราวที่แล้วที่แม่คลอดพวกเราพักอยู่ที่ทุ่งหญ้าโล่งแจง้งจึงต้องคลอดกันตรงนั้นเลยเจ้าหนูน้อยเกิดมากลางผงหญ้าจะหาน้ำร้อนมาาให้ก็ไม่มีต้องใช้น้ำฉ่าเย็นจากแม่น้ำมาเช็ดตัวให้ จะอยู่หรือไปก็แล้วแต่สวรรค์จะเมตตาสำหรับเรานั้นแค่เรื่องหลิมท้องยังต้องถือเป็นเรื่องฟุ่งเฟือยแล้วจะมีปัญญาที่ไหนให้แม่ได้อยู่ไฟแม่จึงไม่มีน้ำนมเลี้ยงทารกที่เพิ่งจะลืมตาขึ้นมาพ่อเลยให้ผมเอาเงินที่ขอทานได้ไปซื้อนมข้นหวานกลับมาผมยังจาได้ว่าเป็นนมข้นตรานกนางแอน่น ซึ่งเป็นนมข้นในกระป๋องเหล็กต้องใช้หินทุบให้เป็นรูที่ข้างกระป๋องสองรูจากนั้นจึงเท น, นมใส่ชามเล็กๆถ้าโชคดีหน่อยก็อาจจะขอทานได้น้ำอุ่นมาผสมแต่ถ้าโชคไม่ดีก็ต้องใช้น้ำสะอาดตามแม่น้ำมาผสมแทนคนให้เข้ากันเสนหน่อยแล้วก็เอามาป้อนน้องตอนนี้เสียงร้องของแม่ยิ่งกรีดแผลมากกว่าเดิม ผมใจแทบขาดเมื่อก่อนตอนออกไปขอทานมักจะได้ยินคนเขาพูดกันบ่อยๆว่ามีคนคลอดลูกตายเพราะตกเลือดผมได้แต่แอบภาวนาให้สวรรค์โปรดเมตตาเราสักหน่อยเท่านี้แม่ก็น่าสงสารมากพออยู่แล้วอย่าให้แม่ต้องเป็นอะไรไปอีกเลยถึงแม้ว่าแม่จะไม่เคยรับรู้ ไม่เคยจำได้เลยสักครั้งเดียวว่าผมเป็นลูกแต่อย่างไรท่านก็ยังเป็นแม่แม่ผู้ให้กำเนิดผมโอ้ได้โปรง่งเทสวรร์โปรดเมตตาให้แม่ผมคลอดลูกออกมาอย่างปลอดภัยด้วยทันใดนั้นเสียงร้องของแม่ก็เกรดแหลมขึ้นมาอีกใจผมสั่นไปหมดตาเบิกค้างเวลาเหมือนจะหยุดนิ่งอยู่ณตรงนั้น ยังไม่ทันจะอ้าปากถามพ่อว่าเกิดอะไรขึ้นก็ผันมีเสียงร้องจ้าของเด็กดังขึ้นมาสักก่อนคลอดแล้วคลอดแล้วพี่สาวร้องดังขึ้นอาเป็นผู้หญิงจ้าผมยกมือปิดหน้าบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรแล้วแม่ปลอดภัยแล้วแล้วแม่ก็คลอดน้องสาวออกมาอีกคนดวงหน้าเล็กๆตัวแดงๆ ปากน้อยนั้นเล็กกระจิตกริศแกกำลังร้องโยเยไม่ยอมหยุดคงเพราะหิวและอาจจะหนาวด้วยผมก้มมองถูน้องชีวิตน้อยๆของแกถูกส่งมาเกิดที่ครอบครัวเราอย่างไม่มีทางเลือกยายหนูคงยังไม่รู้ตัวหรอกว่าแกได้เป็นหนึ่งในสมาชิก ค, ครอบครัวยาจบที่หน้าอาณาฐานี้แล้ว อนาคตที่ยายหนูจะต้องเผชิญนั้นแสนสาหัสเสียยิ่งกว่าที่แกต้องดิ้นรนอยู่ในท้องแม่เมื่อกี้นี้อีกไม่รู้กี่เท่าหากมียานพิเศษให้แกสามารถรู้ล่วงหน้าแกยังเลือกที่จะเกิดมาอีกหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าผมควรจะดีใจหรือเสียใจกับแกดีผมรู้สึกมืดมนไปหมด เหมือนกับท้องฟ้าที่ดำสนิทอยู่นอกหน้าต่างในยามนี้ตอนที่สิบผมเป็นแม่หนุ่ม น้องเกิดมาแล้วผมจึงมีหน้าที่เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งเด็กๆมักจะร้องโยอเยในตอนกลางคืนแกมักจะร้องกวนอยู่ทุกหนึ่งหรือสองชั่วโมงบางครั้งเพราะหิวเพราะพระอ้อมเปียกหรือบางครั้งก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าร้องทำไมอยากร้องก็ร้องเอาดื้อๆเสียอย่างนั้นแอมยังร้องดังจนแผ่นดินแทบจะสะเทือนอีกด้วยแม่ผมนั้น นอกจากจะไม่รู้จักเลี้ยงน้องแล้วหากบางครั้งเสียงน้องร้องปลุกให้แม่ตื่นขึ้นมาแม่ก็จะร้องไห้ไม่หยุดไปด้วยทำให้น้องชายคนโตพลอยตื่นขึ้นมาอีกคนแล้วทีนี้ก็จะแข่งกันร้องไห้ขึ้นมาบ้านทั้งบ้านเล่นเอาคนอื่นไม่ต้องนอนกันเลยทั้งคืนดังนั้นทันทีที่ได้ยินเสียงน้องร้องผมจะทะเล่งพรวดขึ้นมาแล้วก็รีบใช้มือขยี้ตาให้หายง่วง จากนั้นก็ค่อยๆขานไปอุ้มน้องกล่องให้น้องนอนด้วยความสลืมสลืๆปากก็พร่ำเหตุกล่องหั่วซั่วไปเรื่อยผมกล่องน้องอย่างนี้ซ้ำไปซ้ำมาในที่สุดตัวเอ ง, เเอปป ง, ก, งก็เผลอสงบโงกหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้น้องสาวคนนี้ก็ความรู้สึกไวซะเหลือเกินพอสองมือผมหยุดขย่าตัวแกเท่านั้นแหละแกะก็ร้องไห้จ้าทาเอาผมตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันที ผมจึงจำเป็นต้องยืนกล่องน้องต่อไปอีกบางครั้งที่น้องร้องก็เพราะหิวแต่ค่ำคืนดึกดื่นป่านนี้แล้วจะไปหาน้ำข้าวได้ที่ไหนผมร้อนใจไม่รู้จะทำอย่างไรดีก็ได้แต่เอานิ้วมืออันแสนสกรปรกของผมยัดปากน้องแทนจุกนมไปพลางก่อนสมัยนั้นเรายังไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการตกเลือดดีเท่าไรนักพอท้องแล้วก็คลอด นอกจากผมที่คลอดในศาลเจ้าแล้วน้องๆที่เหลือล้วนแต่คลอดตามป่าตามทุ่งทั้งนั้นถ้าโชคดีหน่อยได้เกิดมาในช่วงที่พ่อยังพอมีเงินติดมืออยู่บ้างก็อาจไปเรียกหมอตำแยในหมู่บ้านมาช่วยทําคลอดให้ไม่งั้นก็ต้องคลอดกันเองตามป่าตามทุ่งแค่ใช้กันไกตัดไปที่รกของเด็กแล้วก็ผูกผูกเข้าเท่านี้ก็เป็นอันว่าทาคลอดเสร็จพิธี แต่ที่ผมอยากจะเล่าอีกสักหน่อยก็คือว่าหมอตำแยที่เราเรียกมาช่วยทำคลอดให้แม่แทนที่จะได้รับค่าจา้างพอได้เห็นความเป็นอยู่ของเราแล้วกลับต้องควักเงินมาช่วยจุนเจอ่ครอบครัวเราซะอีกตอนเล็กๆผมมักจะคิดเสมอว่าพ่อกับแม่ทำไมไม่คิดบ้างว่าถ้าออกลูกมาเยอะๆแล้วจะอยู่กินกันยังไงเขาว่ากันว่ามีลูกมาก พ่อแม่จะยากนานแต่ในครอบครัวของผมผมคือคนที่รับภาระแทนพ่อกับแม่จึงน่าจะเป็นว่ามีลูกมากพี่ชายจะยากนานใช่มากกว่าโดยเฉพาะพี่ชายที่ไวัยไม่ถึงสิบขวบอย่างผมแต่นตายตะไรมาแม่ผมไม่ค่อยจะยอมให้ลูกกินนมตัวเองต้องให้พ่อคอยเอาไม้เท้าขึ้นขู่อยู่ทุกครั้งไปแม่จึงยอมฝืนใจให้ลูกกินนม แต่พอลูกกัดแกรงไปนิดแม่ก็จะผลักออกจาก อ, อกด้วยความโม โ, มโหบางครั้งจึงกับลงมือลงไม้ตีลูกก็มีหลายครั้งเข้าพวกเราก็ต้องยอมแพ้ดูแลกันเองดีกว่าการออกไปขอทานข้างนอกที่แสนจะเหน็ดเหนื่อยจึงกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่ผมสบายที่สุดในแต่ละวันเพราะพอกลับบ้านมาแล้วผมก็จะต้องเริ่มงานที่แสนจะยุ่งวุ่นวาย ไหนจะต้องเริ่มแบ่งอาหารให้กับทุกคนก่อนแบ่งให้พ่อกับแม่และลูกที่โตพอจะกินข้าวเองแล้วเป็นกลุ่มหนึ่งส่วนน้องชายน้องสาวที่ยังเล็กอยู่ผมกับพี่สาวแบ่งกันป้อนส่วนทารกน้อยที่ไม่มีนมแม่กินจะป้อนข้าวก็ไม่กลา้าเพราะกลัวจะติดคอน้องตายซะก่อนผมก็เลยเอาข้าวเข้าปากตัวเองเคี้ยวให้ละเอียดก่อนแล้วค่อยป้อนน้อง พอวุ่นวายเรื่องกินเสร็จก็ต้องหันมาจัดการกับปัสสาวะจารักที่เลอะเทอะอยู่แม่กับอาไยสอนเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจำจึงต้องถึงร่าใส่กางเกงทุกวันที่โตหน่อยก็ต้องเปลี่ยนกางเกงที่ยังเล็กอยู่ก็ต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมจากนั้นต้องขนเอาเสื้อผ้าที่เลอะเทอะไปด้วยทั้งอึและฉี่ไปซักที่ริมแม่น้ำแต่ไหนต่ไรมา ผมไม่เคยรังเกยียจความเหม็นหรือสิ่งสโปรกเหล่านี้วันเวลาและสิ่งแวดล้อมหล่อหลอมขัดเกลาให้ผมเป็นคนอดทนความสามารถทุกอย่างที่ผมได้มาและมีอยู่ในวันนี้ก็มาจากสิ่งแวดล้อมที่บังคับทั้งนั้นมีบางครั้งที่กำลังเปลี่ยนผ้าอ้อมให้กับน้องสาวอยู่น้องชายคนเล็กก็กำลังเล่นอื่ตัวเองแกกำลังจะหยิบเข้าปากพอดี ผมจึงต้องรีบวางมือจากน้องสาวเข้าไปห้ามน้องชายคนเล็กพอดีกับน้องชายอีกคนดันมาลื่นล้มเข้าก็แหกปากร้องไห้กันใหญ่ผมกำลังจะเข้าไปโอน้องชายน้องสาวคนโตก็ร้องอละวาดเพราะความหิวขึ้นมาอีกส่วนแม่กับป้าชัยก็กำลังตีกันจิกผมกันไม่ยอมหยุดผมมองสภาพความวุ่นวายที่ดูเหมือนจะไม่มีทางจบสิ้น แล้วรู้สึกประทัดประท้อเป็นที่สุดผมป่าของในมือลงกับพื้นอย่างเหลืออดแล้วก็พลอยร้องไห้ตามไปด้วยภาราที่แบกไว้หนักเลือเกินจนบางครั้งผมคิดจะหนีไปแล้วทิ้งทุกอย่างที่นี่เสียไปตายออดับหน้าคนเดียวแต่พอคิดอย่างนี้ขึ้นมาทีไรผมก็ใจอ่อนลงทุกทีนึกถึงเมื่อคืนตอนที่ช่วยเปลี่ยนพระอ้อมให้น้องสาวคนเล็ก ตอนนี้น้องเริ่มจำคนได้แล้วน้องมองหน้าผมแล้วก็ย่นจมูกขึ้นยิ้มน้อยๆให้ผมน่ารักที่สุดเลยสิ่งนี้เองแหละที่สอนให้ผมรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าหัวใจละลายความรู้สึกเช่นนี้ยังจะมีสิ่งอื่นใดในโลกมาแลกไปได้อีกหรือว่าแล้วผมก็ยกมือขึ้นเคกหัวตัวเองแรงๆถือชามที่บรรจุอาหารอยู่เต็ม สาวเท้าก้าวยาวๆอยากกลับถึงบ้านไวๆเพิ่งจะพ้นประตูบ้านพี่สาวก็วิ่งหน้าตั้งออกมาบอกผมว่าน้องสาวคนเล็กเป็นไข้ร้องไห้โยเยตลอดบ่ายไม่หยุดเลยหน้าตาหัวหูแดงไปหมดแก่ร้องไห้ไม่ลืมหูลืมตาไข้ขึ้นจนร้อนจัดไปทั้งตัวพี่สาวทั้งกอดทั้งปลอกน้องก็ยังร้องไห้อยู่อย่างนั้นทีแรกผมกะจะป้อนข้าวน้อง แต่พอเอาข้าวที่กัดละเอียดแล้วมาป้อนให้น้องน้องกลับไม่ยอมเก่นพ่อบอกผมให้หาผ้าชุบน้ำมาวางไว้ที่หนา้าผากแกเผื่อจะช่วยลดไข้ได้บ้างผมก็รีบทำตามถึงอุณหภูมิในตัวจะไม่ลดลงแต่ในที่สุดเสียงร้องของแกก็ค่อยๆเบาลงทุกทีผมกับพี่สาวทั้งเหนื่อยและเพลียจัดจนเผลอหลับไปที่ข้างๆตัวแกนั่นแหละแล้วคืนนั้นผมก็ฝันร้าย ผมฝันว่าน้องนั่งอยู่ที่พื้นและก็มีเลือดไหลออกมาจากทวารทั้งเจ็ดแกเรียกผมพี่พี่ผมตกใจตื่นขึ้นมามีเหงื่อเย็นเย็นท่วมตัวพอรู้สึกตัวก็รีบพลิกตัวไปดูแกอีกทีเออค่อยลง อ, อกหน่อยถึงแกะจะหายใจแรงนิดหน่อยแต่ก็ดูจะหลับสนิท ด, ดีผมบอกกับตัวเองว่าไม่มีอะไรไม่เป็นไรแล้ว แล้วก็หลับต่อตอนเช้าตรู่ผมตกใจตื่นขึ้นเพราะเสียงร้องไห้ของพี่สาวผมขยี้ตาให้หายสลึมสลือเหลียวมาเห็นน้องสาวนอนหน้าเขียวเปลือกตาปิดสนิทผมลองคลำๆดูแล้วก็พบว่าตัวแกเย็นเข้ากระดูกน้องตายไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้ผมร้องให้ฟูมายเฝ้าทโทวตัวเองที่อุตส่าห์ตื่นขึ้นมาแล้วแต่ก็ยังประมาท ไม่ได้สังเกตอาการผิดปกติของน้องผมเป็นพี่ชายยังไงกันนี่ขนาดน้องสาวหมดลมสิ้นใจไปข้างๆตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยพ่อแอบน้ําตาไหลเงียบๆบอกให้ผมกับพี่สาวไปขุดหลุมที่ข้างสารเจ้าแล้วเอาน้องสาวตัวน้อยอายุไม่ทันจะถึงขวบที่หน้าเวทนาของผมไปฝังไว้ที่นั่นผมกับพี่สาวขุดหลุมไปก็ร้องไห้ไป แม่ผู้ไม่รู้อิโนอิเนเห็นเรากําลังช่วยกันขุดดินก็รีบเข้ามาเล่นดินทรายกับพวกเราอย่างเริงร่าผมมองเห็นใบหน้าที่กําลังยิ้มแย้มสดใสของแม่ก็ผ่านให้ยิ่งเสียใจแทนน้องน้ำตาค่อยๆรินไหลร่วงลงไปในหลุมหยดแล้วหยดเล่าพ่อใช้เสือฟางพันตัวน้องแล้วก็เอาลงไปวางไว้ในหลุมไม่มีป้ายปักหน้าหลุมศพ ไม่มีชื่อเสียงเปลี่ยงนามไม่มีแม้แต่ชื่อในทะเบียนบ้านชีวิตน้อยๆชีวิตนี้ไม่ได้ทิ้งอะไรไว้บนโลกนี้เลยอยู่แค่ชั่วระยะเวลาสั้นๆเพียงสองร้อยกว่าวันแล้วก็จากไปอย่างสงบผมตักดินขึ้นมาก้อนหนึ่งค่อยๆปล่อยมันลงเพราะไม่อยากสา์ดินให้เปื่อนน้องหัวใจผมเหมือนจะถูกมีกรีด น้ำตาไหลลงมาราวกับสายฝนผมตะโกนอยู่ในใจน้องเล็กของพี่พี่ขอโทษเป็นเพราะพี่เองแท้ๆที่ไม่รู้จักดูแลน้องให้ดีพี่มันไม่ดีเองถ้าน้องจะเกิดใหม่ก็ต้องเลือกดูให้ดีๆก่อนนะจงไปเกิดในครอบครัวที่ดีๆหละ่ะอย่าเลือกเกิดในครอบครัวขอทานอีกเป็นอันขาดนะ 11. กางเกงตูดค่ะเวลาที่พวกเราเดินมาถึงหมู่บ้านใดก็าตามแม้ว่าจะยังไม่ทันได้ตระเวนออกไปขอทางเรื่องของเราก็มักจะสะพัดออกไปทั่วหมู่บ้าน โดยที่เราไม่ต้องออกเป่าประกาศเลยเพราะเพียงแค่มีคนเห็นครอบครัวตัวประหลาดของเราแล้วก็เอาไปพูดต่อกันไปเองพ่อตาบอดหาบสาแรกที่ปลายทั้งสองข้างมีเด็กทารกอยู่มือซ้ายผมก็ลากโซ่ที่ล่ามแม่มือขวาก็ลากโซ่ที่ล่ามน้องชายคนโตบางครั้งแม่ปัญญาอ่อนของผมก็โป้นัอออกอบออกมาอวดสายตาประชาชน พี่สาวแบกผ้าห่มขา ด, ดไว้ข้างหลังแล้วยังมีเสือฟางและพินมัดไว้ที่ด้านหน้ามือข้างหนึ่งก็จูงน้องชายคนเล็กไว้ด้วยเด็กน้อยล่อนจ้อนสองคนคลานไปกับพื้นจับอะไรได้ก็หยิบเข้าปากหมดเด็กโตอีกสามคนก็เปลยเหมือนกันดินสายเปื้อนจับเป็นกราบใครหนาเตึะสกระปรกไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัว แปลกประหลาดพิลึกพิลั่นน่าอัศจรรย์จริงเชียวมาสิมามาดูกันเร็วเข้าเร็วไอ้พวกคนบ้าจะแสดงระบิมแก้ผ้ากันแล้วแล้วไม่นานครอบครัวเราก็ถูกล้อมรอบไปด้วยผู้คนพวกเขาต่างชี้ชวนกันดูพวกเราเหมือนกับกําลังดูลิงกอริล่าในสวนสัตว์อย่างไงอย่างนั้นคุณน้าผู้หญิงคนหนึ่งมองดูพวกเราแล้ว ก็เวทนาจนน้าตาร่วงพรองขณะที่กุณอาผู้ชายอีกคนหนึ่งกำลังนั่งยองๆจดจ้องพินิษพิจารณาน้องสาวน้องชายตัวเล็กๆของเราที่คลานอยู่บนพื้นด้วยสายตาที่บ่งบอกถึงความอยากรู้อยากเห็นบางคนมองเห็นแม่ยิ้มเซ่อเซอก็อดหัวเราะตามไปด้วยไม่ได้พวกเด็กสนๆบางคนก็ใช้หนังสติก๊กยิงไปที่จูของน้องชายผม แทนเป้ากระดานเท่านี้ก็ยังไม่พอพวกเขายังไปหาก้อนหินมาปารวใส่พวกเราอีกเวลาที่พวกเด็กๆชักจะสนมากเกินไปผมก็จะยืดตัวขึ้นเป็นโลก่กำบงังคอยรับก้อนหินที่ปามาเหล่านั้นให้กับน้องๆมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามายืนล้อมรอบเราเป็นวงกลมแล้วก็ปรบมือร้องเพลงล้อเลียนระว่าผีบ้าผีบอ ผีบอผีบ้าตัวเท่าลูกกรอบนุ่งกางเกงตูดขาดตัวดำพิษปี๋แว่งไปแกว่งมาทั้งหน้าดูทั้งหน้าขันอา้าวพวกเรามาช่วยดูมาช่วยกันตกมือกันเข้าหน่อยอา้าวจากนั้นก็มีเสียงหัวรอกงอหายของชาวบ้านที่พากันมามุงดูดังขึ้นประสากนกันกับเสียงล้อเลียนของเด็กๆราวกับเป็นลูกคู่ผมจาได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นวันอะไร จำได้แต่ว่าพอพวกเราเดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็ได้ยินเสียงดังเปรีย้ยปรงของประทัดดังแว่วมาแต่ไกลตอนนั้นผมตื่นเต้นแทบแย่ถ้าที่ไหนมีเสียงประทัดนั่นย่อมหมายถึงการเฉลิมฉลองหรือเทศกาลอะไรสักอย่างทุกครัวเรือนก็จะมาร่วมเฉลิมฉลองและทําบุญกันแบบลืมความตรันนทีเหนีนยวไปเลยแต่แล้วความสุขของผม ก็ต้องชนะ ง, ง, งานอยู่แค่ตรงนั้นเพราะจูจ่ๆผมก็ได้ยินเสียงพลุแตกอยู่ใกล้ๆหูวิึงแล้วก็ตามมาด้วยเสียงเปรดร้องของแม่ผมขณะที่ผมกำลั ง, งงงงานจับทางไม่ถูกว่าเกิดอะไรขึ้นนั้นก็มีเด็กชายราวห้าหกคนวิ่งลอดออกมาจากซอยข้างๆพวกเขาถือทูกไว้ในมือข้างหนึ่งส่วนอีกข้างหนึ่งก็ถือพลุชี้มาที่แม่ผม แล้วก็พากันประโดดโลดเต้นตัวลอยส่งเสียงหาลั่นตอนนี้ผมถึงได้รู้ว่าเจ้าเด็กวายร้ายกลุ่มนี้นี่เองที่ใช้พลุดอกไม้ไฟมายิงใส่พวกเรานี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นของละครชั่วร้ายเท่านั้นพอเจ้าเด็กวายร้ายกลุ่มนี้แน่ใจแล้วว่าครอบครัวเราไม่สมประกอบที่พิการก็มีบางคนก็บ้าที่เหลืออยู่ ก็ยังเป็นเด็กเล็กที่ไม่สามารถรับมือได้พวกเขาจึงพากันยกพวกมาเล่นโดยสมมุติว่าครอบครัวเราเป็นข้าศึกในจินตนาการของพวกเขาพอเริ่มทําศึกพวกเขาก็จะตั้งหน้าตั้งตาเล็งพลุมาที่เท้าของพวกเราวีดบึมวีดบึมเมื่อศัตรูอยู่ไกลตัวไม้เท้าของพ่อจึงไม่ส่งอนุภาพอีกต่อไปเสียงหัวเราะของพวกเด็ก คละเคล้ากันท่ามกลางเสียงร้องไห้หวาดกลัวของน้องๆและเสียงหวีดร้องอย่างเสียดวปลของแม่นี่คือความอัปยายที่เกิดขึ้นณนะพื้นดินแห่งนี้ขณะที่พวกเราต่างกระโดดหลบพลุ ด, ดอกไม้ไฟที่เลนมากันอย่างอุลามาพ่อก็บอกให้เอามือขึ้นปิดหูตัวเองเอาไว้แล้ววิ่งกลับไปข้างหลังแต่ยิ่งพวกเราพยายามหลบหนีกันเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่า จะช่วยเพิ่มความหึกเหิมให้แก่ฝ่ายตรงข้ามได้มากขึ้นเท่านั้นพลุดอกไม้ไฟยิ่งสนั่นรัวเสียงพลุที่ดังระเบิดขึ้นแต่ละนัดแทบจะทำให้หัวใจหยุดเต้นเลยทีเดียวจนกระทั่งพวกเราหมดเรี่ยวแรงที่จะหนีเสียงหัวเราะของเด็กๆจึงค่อ ย, อยๆแววห่างออกไปเด็กชายวัยหกขวบจากผมก็เริ่มรู้จักคำว่าสัตว์สีแล้ว พอเห็นพวกเขารังแกพวกเราอย่างไรเหตุผลเช่นนี้น้ำโหมก็เดือดพล่านอยู่ในใจแต่พ่อห้ามพวกเราอยู่เสมอไม่ให้ไปตอบปากตอบคำกับใครถ้ายิ่งถึงกับลงไม้ลงมือวิวาสกันแล้วยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่ก็พวกเราอย่ากเกิดมาเป็นลูกขอทานทำไมละ่ะเด็กพวกนี้ล้วนแต่เป็นลูกผู้ดีมีเงินถ้าไปทำอะไรผิดใจพวกเขาเขา้า แล้วอาหารมือหน้าของพวกเราละ่ะจะทำยังไงกันพวกเราจึงต้องอดทนก้มหน้ายอมรับสภาพอย่างเงียบๆแล้วแต่ก้อนหินที่ปามาว่าจะโดนที่ตัวบ้างที่หน้าบ้านจนพวกเด็กๆเริ่มเบื่อกันไปเองแต่ยังดีที่มีผู้ใหญ่บางคนเวทนาพวกเราอุตซากกลับไปบ้านนำอาหารมาให้พวกเราเหมือนคณะละครสัตว์ ที่พอการแสดงจบลงก็ยืนรอรับรางวัลด้วยความเบิกบานใจเมื่อพวกเขาได้รับความสนุกสนานพวกเราก็ได้รับรางวัลเป็นเศษอาหารที่เหลือจริงอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าศักดิ์ศรีสําหรับผมแล้วมันก็คือคำคำหนึ่งที่มีอยู่ในหนังสือแบบเรียนเท่านั้นเองกว่าที่ผู้คนจะแยกย้ายกันไป ฟ้าก็เริ่มมืดแล้วพวกเราเหนื่อยกันแทบตายแต่ก็ยังหาสุสานที่พักผิงไม่ได้ได้แต่รีบหาต้นไม้ใหญ่เป็นที่พักแล้วนําเศษอาหารที่ได้รับมาแบ่งกันกินคืนนี้อากาศชื้นมากหมอกลงจัดแล้วพวกเราต้องนอนกันกลางแจ้งอย่างนี้ทําให้นอนหลับไม่สนิทนักโดนน้าค้างจนต้องตื่นกลางดึกผ้าห่มก็ชื้นตั้งแต่หัวค่า ผมได้แต่หวังว่าดวงอาทิตย์ในยามเช้าของวันพรุ่งนี้จะช่วยนำความอบอุ่นมาสู่พวกเราบ้างตอนที่สิบสองคนประเนจรใต้ต้นไม้ สึกตัวตื่นขึ้นมาแต่เช้าตรู่ลืมตาทั้งๆที่ยังง่วงอยู่เห็นบรรดานกน้อยพากันเกาะอยู่ตามกิ่งไม้ส่งเสียงร้องเพลงจิ๊บจิบกันอย่างเพลิดเพลินใจผมกำลังคิดว่าอากาศในยามเช้าแห่งนี้ช่างงดงามดีแทๆ้ๆแต่จูๆ่ๆก็เริ่มรู้สึกถึงอะไรบางอย่างแฉะแอุ่นๆอยู่วนไวหน้าตัวเองผมลองจับดู ขี้นกพอดูให้ดีๆบนหัวเราทุกคนและผ้าห่มก็มีแต่ขี้นกแต้มเป็นหย่อมๆไปทั่วบนพื้นหญ้าก็มีหนอนแก้วขนยาวๆตัวดำๆเกาะอยู่เต็มไปหมดเห็นพวกมันเต่กันโยเ ย, ยแล้วน่ากลัวที่สุดเลยตอนนี้เองน้องชายคนโตก็แผดเสียงร้องดังนั่นตามแขนและคอก็มีรอยหนอนแก้วกัดอยู่เต็มไปหมด แกคงคันจนทนไม่ได้ก็เลยเกาใหญ่พอผมเห็นแกเกาอยู่อย่างนั้นก็ชักรู้สึกขันขึ้นมาบ้าไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บ้าเอ้ยไอ้นกบ้าไอ้หนอนบ้าผมโกรธจนตัวเต้นขึ้นมาหยิบไม้ไผ่ชักออกมาเป็นดาบปากก็ตะโกนว่าตายตายตายจะฆ่าให้ตายหมดเลยแต่ยังไม่ทันจะกวัดไวยดาบก็นึกขึ้นได้ว่าเพราะตัวเองไม่มีบ้านอยู่นั่นแหละ จึงได้มาซั์เซพเนจอรอยู่อย่างนี้แล้วถ้าผมไปทำลายรังของมันเสียพวกมันจะไม่กลายเป็นพวกเจ้าไม่มีสารเหมือนพวกเราอย่างนั้นหรือเฮ้อช่างมันเถอะไม่แก้แค้นมาละรักษาตัวไว้ก่อนสำคัญกว่าผมงัดเอาวิชาสารพัดประโยชน์ของคนพเนจรมาใช้อีกตามเคยดินทรายไงล่ะครับผมเอาดินทราย มาทาตรงปากแผลที่โดนนอนแก้วกัดเบาๆเพื่อยับยั้งความคันแม้ว่าจะมีทั้งนกและนนอนที่คอยจับจ้องรังแกเราอยู่แต่ใต้ต้นไม้นั้นมีลมโชยอ่อนๆแล้วก็มีร่มเงาให้เราได้พักผงแสงแดดที่ลาดผ่านร่มไม้ก็ไม่แรงพอที่จะทําให้เป็นไข้ได้ถึงอย่างไรการอาศัยร่มเงาใต้ต้นไม้ในฤดูร้อนก็น่าจะถือว่า เป็นที่พักพิงหรูหราเพียงพอสำหรับเราทีเดียวแม่เดินลากโซ่เข้ามาหาผมพร้อมกับรอยยิ้มหวานแฉ่งผมเห็นแล้วก็รู้สึกแปลกใจแต่พอเห็นดอกไม้สองดอกที่แม่เสียบเอาไว้ที่ผมก็เข้าใจทันทีว่าแม่ตั้งใจจะมาโชว์ของล้ําค่านั่นเองผมจึงชี้ไปที่ศีรษะของแม่แล้วบอกว่าแม่วันนี้แม่สวยจังเลย แม่ปรบมือชอบอกชอบชายใหญ่พอน้องชายคนโตเห็นเข้าก็ตรงเข้ามาจะแย่งดอกไม้ให้ได้แต่แม่ก็ไม่ยอมทั้งคู่จึงเปิดศึกตะลุมบอลชิงดอกไม้กันยกใหญ่ผมรีบเจราจาสงบศึกทันทีเอาละเอาละไม่ต้องทะเลาะกันหรอกนะแล้วก็ลุกไปเก็บมาให้อีกสองสามดอกนานๆจะได้เห็นแม่เบิกบานแจ่มใสยอย่างนี้สักที ก็ได้วันนี้จะบ้าเป็นเพื่อนสักวันก็แล้วกันผมเอาดอกไม้มาทัดไว้ที่หูซ้ายหูขวาแล้วก็คาบไว้ที่ปากอีกดอกหนึ่งแล้วก็ทําเป็นเต้นระบำออกมาจากด้านหลังของต้นไม้แม่กับน้องชายคนโตชักสนุกกันใหญ่เลยลุกขึ้นมาเต้นบ้าๆบอๆไปด้วยกันกันกบผมโซ่ในมือส่งเสียงกระทบกันดังกรุงกริงกรุงกริง เหมือนเป็นการให้จังหวะ ก, กับเสียงหวรอร์ร์ของเราแต่บังเอิญมีชาวนาสองคนเดินผ่านมาทางนี้เข้าพอดีพวกเขาเห็นเราเต้นกันบ้าๆบอๆขนาดนี้ถึงกับตะลึงมองตาค้า ง, างแล้วหนึ่งในนั้นก็อุทานออกมาว่าฮะนี่มันอะไรกันวะนี่มันจะบ้ากันไปหมดทั้งบ้านแล้วหรอไงเสียงของพวกเราทําให้พี่สาวรู้สึกตัวตื่นขึ้น พี่สาวบอกผมว่าอจินเลิกเล่นได้แล้วล่ะเดี๋ยววันนี้พี่จะออกไปขอทานเป็นเพื่อนเธอนะเพลียๆเขาเถอะเยี่ยมไปเลยดีใจที่สุดเลยที่จะได้จูงมือพี่สาวออาไปขอทานด้วยกันเพราะจะได้มีเพื่อนเดินคุยกันไปวันนี้เราคงดวงดีใช้ได้ใช้เวลาไม่นานนักเราก็ปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จลุล่วง เราต้องเดินไปกลับระหว่างหมู่บ้านกับต้นไม้อยู่หลายรอบทีเดียวขณะที่พ่อกับแม่กำลังกินข้าวที่เราไปขอทานมาได้ในรอบที่แล้วอยู่พี่สาวก็ตาไวมองเห็นในชามข้าวของแม่มีขี้นกหล่นใส่อยู่เยอะแยะแต่แม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยขณะ ก, กำลังจะหยิบข้าวใส่ปากพี่สาวจึงรีบเข้าไปดึงชามข้าวออกมาจากมือแม่แม่อยากกินนะ มีแต่ขี้นกทั้งนั้นเลยแล้วอย่างแม่จะฟังรู้เรื่องที่ไหนก็รู้กันอยู่แล้วว่าแม่เป็นคนกินจุกมากพอมีคนมาแย่งของกินไปจากมือท่านก็โกรธจนแทบจะลุกเป็นไฟมือที่ยางเปื้อนมเมล็ดข้าวของแม่ก็ฟาดเปรี้ยงเข้าที่ตัวพี่สาวอย่างจังแม่จา๋านี่มันมีแต่ขี้นกนะหนูจะช่วยเอาออกให้แม่ก่อนแล้วค่อยกินต่อนะแม่ยิงโมโหไปกว่าเดิม แม่คงเข้าใจว่าพี่สาวจะแย่งข้าวของตัวเองไปกินจึงใช้ฝ่ามือตบหน้าพี่สาวเต็มแรงเพียกเสียงดังรังหวางพี่สาวนิ่งอึ้งตะลึงงินยกมือขึ้นกุมหน้าไว้อย่างไม่รู้สึกตัวปล่อยให้แม่ดึงชามข้าวที่มีแต่ขี้นกกลับไปแล้วก็มองตามแม่ที่รีบกลืนกินข้าวอย่างตะกลุ่มตะกราดท่าทางโลนลาน ราวกับกลัวว่าจะมีคนมาแย่งอาหารในมือไปอีกแม่ยัดข้าวเข้าปากอย่างเอาเป็นเอาตายผมเห็นน้ำตาของพี่สาวแล้วก็อดน้ำตาหลาตามไม่ได้